สำหรับเรื่องนี้ได้ยอ่อเวลาในชาดกเรื่องที่เจ็ดเป็นสัจจะบารมีเรื่องกบิละราชาจาริยาประวัติครั้งเป็นพยาลิงพยาลิงกระโดดเหยียบศีรษะของจอรเข้ข้ามฝั่งน้ำไปได้โดยไม่ยอมหลงกลให้จระเข้ฆ่ากินเป็นอาหารไม่ยอมพูดลดพล่อยๆเหมือนจอรเข้ และลงสุดท้ายว่านี้เป็นสัจจะบารมีของเราเรื่องที่8เป็นสัจจะบารมีเรื่องสัจจะสวะหยะบันทิตาจริยาประวัติครั้งเป็นดาบดชื่อสัจจะในสมัยที่เราเป็นดาบดชื่อว่าสัจจะได้คุ้มครองโลกด้วยสัจจะทำให้คนสามารถขีกัน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 เรื่องที่สิบเป็นสัจจะบารมีเรื่องมัชราชาจริยาประวัติรังเป็นพยาปลาในสมัยที่เราเป็นพยาปลาในสะใหญ่ถึงฤดูร้อนน้าในสะแห้งเพราะแสงแดดกาแรงนกกระสาและเหี่ยวก็พากันมาหากินปลาทั้งกลางวันกลางคืนเราคิดหาทางเปลื้องญาติทั้งหลายจากความทุกข์ จึงระลึกธรรมะของสัตบุรุษทรรมสัจจกิริยาฝนห่าใหญ่ก็ตกลงมาเพราะ อ, อาศัยกำลังเดชแห่งสัจจะนี้เป็นสัจจะบารมีของเราเรื่องที่ 11. เอเป็นสัจจะบารมีเรื่องกันหทีปายณะจริยาประวัติรั้งเป็นกันหทีปายณะฤษี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 มีใจเป็นตาช่างคือเป็นผู้เสมอในสุขทุกในยศและมีช่ยศนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเราหัวข้อสุดท้ายสมโูทานะกถากล่าวคำสรุปท้ายเล่มที่สาสบาบารมีสิบคือทานศีลเนคขมมะหรือการออกบวช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 เป็นศีลบารมีเมื่อเป็นพญานาคชื่อจำเปยยกษกและเป็นพญานาคชื่อภูริทัตตะเป็นศีลอุปะบารมีเมื่อเป็นพญานาคชื่อสังคปาละเป็นศีลอะปรมัตถบารมีเมื่อเป็นยุทธันชยราชบุตรเป็นมหาโควินทพรามเป็นคนเลี้ยงช้างเป็นราชกุมารชื่ออโยคระ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 จนถึงอุเบกขาบารมีจบรรพระไตรปิฎกเล่มที่ส3สาและจบราชสุดตันต์ปิฎกรวม25บห้าเล่มเพียงนี้